บทว่าอับประมาทางังเนี่ยนะคือเห็นความไม่ประมาทนี่แหละเป็นทางเกษมอธิบายว่าคําว่าไม่ประมาทนั้นเป็นปฏิปัติต่อความประมาทก็คือค่าสึกของความประมาทเนี่ยนะศัตรูต่อความประมาเรียกว่าไม่ประมาทเพราะอ่ะตัวนั้นแปลว่าปฏิบักษเนี่ยนะปฏิบักษต่อความประมาทค่าสึกต่อความประมาหรือสิ่งที่ค่าความประมาทเรียกว่าไม่ประมาทเพราะโดยอธหมายความว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสติ เพราะสตินี้เป็นค่าศึกแห่งความประมาทเชื่อว่าไม่ประมาทคาว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสตินี่นะสติยาอาวิปปวาโสความไม่อยู่ปราศจากสตินี้เป็นชื่อของสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วเป็นนิดเนี่ยนะเข้าไปตั้งสติเอาไว้กับทุกเรื่องอนนะว่าเข้าไปตั้งสตินี่ตั้งยังไงนนะตั้งเหมือนเอาของไปวางไว้ใช่ไหมบอกไม่ใช่ก็คือไปตั้งไวที่จะปรารบศีลในแต่ละอารมณ์ ตั้งไว้ที่จะปรารบสมถะและวิปัสนาตั้งไว้ที่จะปรารบคําสอนในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั่นแหละเรียกว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสติพะนั้นคําว่าคําว่าไม่ประมาทหมายถึงว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสติแต่อาจารย์บางท่านบอกว่าคําว่าไม่ประมาทคืออารูประขันสีโดยการเข้าไปตั้งสติสัมปชัญญาไว้ชื่อว่าไม่ประมาทนะทั้งสติและสัมปชัญญะสติก็คือ สติปฐานสี่สัมปชัญญะก็คือสัมปชัญญะ4ี่เนี่นะสาธกสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะอาสัมโมหะสัมปชัญญะนี่นะตั้งสัมปชัญญะ4ี่แล้วก็เจริญสติปฐาน4ี่นี่แหละเรียกว่าไม่ประมาทที่ชื่อว่าอัปปมาทพภาวนาเนี่ยนะไม่มีการภาวนาแยกออกจากกันอย่างหนึ่งคําว่าอัปปมาทพภาวนาเจริญในความไม่ประมาก็คือเจริญบุญญากิริยาวัตถุ เจริญบุญญากิริยากุศลเจริยาทั้งหมดก็ชื่อว่าอัปปมาทะภาวนาถ้ายังมีการให้ทานรักษาศีลอบรมสมถาวิปัสนาอยู่ก็เรียกว่าเจริญอัปมาทะภาวนาแต่โดยความต่างกันนั้นศีลภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนากุศลภาวนาอนัวชะภาวนาอนัวชะแปลว่าภาวนาที่ไม่มีโทษอัปปมาทะภาวนาเนี่ยคืออะไร นนะชื่อเยอะแล้วเกินเนี่ยหนึ่งศีลภาวนาสองสมาธิภาวนา ส, สมปัญญาภาวนา 4. ีกุศลภาวนาหอนัชชัภาวนาหกอัปปมาทะภาวนาทั้งหมดก็คือสาระคมทั้งหมดนั่นก็คือศีลอนนะก็คือสาระศีลที่ตั้งเป้าหมายเพื่อพระนิพพาน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 พระราชบิดาพระราชมารดาพระมเหสีหรือที่เรียกว่าบุตรภริยาไม่ประมาทในชาวชนบทชาวแว่นแคว้นไม่ประมาทในนกเนื้อไม่ประมาทในสมณะพราหมณ์เป็นต้นก็คือไม่ประมาทในรอบด้านถ้าเป็นของเราทั้งหลายก็ไม่ประมาทในทิศเบื้องหน้าทิศข้างขวาข้างหลังข้างซ้ายข้างล่างข้างบนนนะัไม่ประมาทในทุกทิศเจริญที่เรียกว่าตามแนววินัยของครือขัดหรือที่เรียกว่า ที่พอองแสดงอะไรแกมานพนะชื่อมานพอะไรสิงขรกะมานพเป็นต้นนั่นแหละหรือไม่ก็อบรมทั้งที่เรียกว่าสรุปทบทวนก็คือเจริญมงคลทั้ง38บแปนั่นแหละเพราะว่าพระไตรปิฎกถ้าขยายออกมาก็ตามแนวมงคล38ประการนั่นแหลพะพันการที่ปฏิบัติตามกุศลธรรมเหล่านี้ก็เรียกว่าเจริญอยู่ในความไม่ประมาท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 ใจก็เป็นพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกนั้นไม่ประมาทในการเจริญกุศลธรรมทางกายวาจาและใจตามพระธรรมคําำคำสอนถ้าปฏิบัติตามนี้นั่นแหละเรียกว่าเจริญอยู่ในความไม่ประมาทให้เห็นเถอว่าการปฏิบัติอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเป็นทางแห่งความเกษมนั่นเป็นทางแห่งความปลอดภยัยนั่นเป็นทางแห่งความพ้นภยัยพ้นทุกข์พ้นโศกทั้งหลายดังที่พระองค์ตรัสไว้อีกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย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 กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดยังลงสู่ความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทท่านกล่าวว่าเลิศ ก, กว่ากุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีอะไรจะเลิศ ก, กว่าความไม่ประมาทอีกแล้วพันพระษ า, าสดาก็เลยตรัสถึงอัปปมาท่าภาวนาถึงยอดว่าถามวเจริญภาวนาเนี่ยนะเจริญตรงประเด็นจริงๆอ่ะเจริญอย่างไรภาเวถทถังขีกังมรคังเธอจงเจริญมรคมีองค์แปดเธอ นั่นแหละเรียกว่าภาวนาที่สาระตรงถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดเนี่ยนะก็คือให้เจริญอริยมรตมีองค์8เจริญสัมมาทิฏฐิเพื่อรู้อริยศาสตร์สประการเจริญสัมมาสังกปะเพื่อเจริญกุศลสังกปรสาประการเจริญสัมมาวาจาเว้นจากวจีทุจริตกล่าวแต่วจีสุจริตเนี่ยนะเว้นจากกายทุจริตเจริญแต่กายสุจริตเรียกว่าสัมมากัมมันตเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตในการประกอบอาชีพเรียกว่า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 มีกลุ่มศีลกลุ่มสมาธิและกลุ่มปัญญาเนี่ยนะศีลขันสมาธิขันปัญญาขันนะซึ่งอริยมรรคมีองค์8ดนั้นมีสมาธิเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําด้วยความสามารถแห่งองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเพราะฉะนั้นจงเจริญมรรคนั้นให้เกิดในสันดานของตนเนี่ยนะมรรคไม่ได้อยู่ในตำรามรรคไม่ได้อยู่ในคำพีแต่ว่าอยู่ที่สันดานนะเมื่อไหร่ที่สันดานของเราเป็นไปกับมรรคอย่างแท้จริง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 พวกเธอไม่ตั้งอยู่เพียงแต่มรรคที่เห็นเท่านั้นเนี่ยแปลว่าอย่าสันโดษอยู่เฉพาะโสดาปฏิมรรคนะมรรคที่เห็นนี่แปลว่าโสดาปฏิมรรคเธออย่าสันโดษอยู่แค่ในโสดาปฏิมรรคจงเจริญโดยให้มรรคสามข้างบนคือสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคให้เกิดขึ้นด้วยอัปปมาทาภาวนาของเธอจะถึงยอดได้ด้วยประการชนิดถ้าอรหัตมรรคเกิดเมื่อใด นั่นแหละสุดยอดแห่งความไม่ประมาทเอซาพุทธานุซาสนีคือนี้ความไม่ประมาทในกุศลธรรมดั้งหลายไม่ประมาทแท้ๆก็คือนนท์และได้อารหัตตมรตอันหนึ่งการขวนขวายความไม่ประมาทแล้วอบรมอริยมรตนี้เป็นคำสั่งสอนเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าหรือเป็นโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้ า, านนะเป็นโอวาทของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเป็นต้นพระองค์โอวาทว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าประมาทกันนะเทศนาวสานีเนี่ยนะเข้าการอปิวาสนรว่าทราบว่าหรือได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงยกย่องปุพพะจริยาของพระองค์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 พระพุทธเจ้าจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้สรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบจริยาปิดกด้วยธรรมะอันเป็นยอดจบลงที่พระอรหันด้วยประการชนี้บทว่าอิถังอิถั้ ง, งนะครับว่าอิถังสุทังก็คือมีประการว่าตั้งกับต้นมานี่นยแหละตั้งกับต้นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่า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 บทว่าพุทธาประธา น, นิยังนามะชื่อว่าพุทธาประทานเพราะแสดงถึงกรรมเก่า น, นะพุทธาประทานก็คือกรรมเก่าที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอธิกิจกิจอันยิ่งที่ทำได้ยากที่พระองค์ได้ทำมาจากการก่อนของพระพุทธเจ้าบทว่าธรรมะปรยายงแสดงธรรมะอันเป็นเหตุแห่งธรรมสรุปว่าพระองค์ได้กล่าวแล้วนะกล่าวแล้วถึงเหตุหรือข้อปฏิบัติที่ทาให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าก็จบลงด้วยประการชนีในอัตถกถาท่านสรุปว่าพระศาสดามีพระจริตบริสุทธิ์จริตก็คือจริตนี้โดยศัพแปล ว, ว่าความประพฤติความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่บริสุทธิ์เนี่ยนะก็คือสร้างบารมีมาทั้งหมดนั่นแหละทําด้วยความบริสุทธิ์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 พระองค์ทรงบรรลุความอัศจรรย์ทั้งปวงแห่งอัจฉริยธรรมทั้งหลายเรียกว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์นในโลกสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกที่ควรแก่การยกย่องและสรรเสริญความน่าอัศจรรย์เหล่านั้นได้มีในพระองค์ทั้งหมดพระองค์ทรงประกาศอนุภาพแห่งปุกพระจริยาของพระองค์ปุกพระจริยาก็คือความประพฤติทางกายสุจริตวัจีสุจริตมโนสุจริตที่พระองค์ได้ประพฤติมาใน อดีตหรือประพฤติอะไรประพฤติกรุณาประพฤติบุญยะยาณะประพฤติสุจริต3ประพฤติอธิษฐานธรรมสประพฤติสังฆะวัตถุสประพฤติอะไรประพฤติอินทรีย์าประพฤติอัธยาศายหประพฤติปติญญา7ประพฤติมหาปริสวิตตก8ประพฤติธรรมมิโยนิโสเป็นมูล9ประพฤติบารมี10บุญญะกิริยาวัตถุ10หรือประพฤติบารมีอุปปรมีปรามัตถารมีมหาบริจาคมเป็นต้นที่พระองค์ได้กระทำมาเนี่ยนะ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 พระองค์ผู้ศาสดาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเนยนะก็คือ อ, อย่างที่เราพูดง่ายๆก็คือพุทธังสารนางคัจฉามิเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงจริยาปิดกและพระเทระผู้สังขยนาพระธรรมนนะมีพระมหากัะสปะเป็นประธานมีพระ อ, อนณนพระ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 มีอยู่28ภานะวระบริบูรณ์แปลว่าถ้าสวดและพักหายใจ28ครั้งเนี่ยนะขอให้ข้าพเจ้าผู้ปรับปรุงปรมัททีปนีนั้นได้บรรลุถึงบุญอันเป็นคำสอนของพระโล ก, กนาฏด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นบอกว่าด้วยบุญทั้งหมดที่ได้เกิดจากการเรียบเรียงรวบรวมข้อความตามแนวนัยะอัตถกาถาแต่เก่าจนสำเร็จ เป็นประมตทีปณีบุญอันนี้ขอให้สําเร็จบุญในคําสอนบุญในคําสอนบุญที่สูงสุดในคําสอนก็คืออรหัตตมัตบุญเนี่ยนะพะะนันด้วยบุญอ น, นันต์ข้อขอจงเป็นปัจจัยให้บรรลุเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วท่านก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิที่เสร็จแล้วก็เจริญเมตตาว่าขอสัตว์โลกแม้ทั้งปวงจงยังลงเพื่อปฏิบัติศีลสมาธิวิปัสนาเป็นต้นอันบริสุทธิ์ก็คือ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 โอ้ยเขาศิลาพระไตรปิฎกหินอ่อนเขาก็มีสลักไว้แล้วแต่ว่าในหินใจเนี่ย ใ, ใ, ใ, ใจหินๆินเนี่ยนะสลักเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องเรื่องนะสลักพระไตรปิฎกลงในใจได้ก็โอเคแล้วนะขอให้ศาสนาในีจงปฏิสธานอยู่ใ น, ในใจของเราทั้งหลายใ น, ในใจของสัตว์โลกตลอดกาลนานขอสัตว์แม้ทั้งปวงจงมีความเคารพในพระศาสนาของพระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าเป็นนิเิศ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 อ่านะมีร่างกายที่สุขสบายแล้วก็สดเชิญให้ใจยินดีในพระสัตธรรมก็คือเมื่อสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีให้จิตใจยินดีอยู่ในพระสัตธรรมเถิดให้จิตใจยินดีอยู่ในปริยติธรรมให้จิตใจยินดีในโพธิปัจฉิธรรมให้ใจยินดีอยู่ในสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินท ร, ะระียภะละโพชงองมัคเถิดขอให้พระองค์ผู้ปกครองโลก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 ก็ไปดูเอาว่านะไปข้างนี้ดูว่าจะไปถามหาภพหรือเปล่าเตรียมถามมานะครับัทธะติฐถวิหารนี่อยู่ตรงไหนเหมนนะจะได้ไปกราบพรนอาจารย์ธรรมปาละผู้ผลงานของท่านเนี่ยนะท่านเป็นทั้งอัตถกาจารย์และดีกาจารเนี่ยเป็นอัตถกถาจารย์ก็คือท่านเรียบเรี ย, รยงอัตถกาอิติวุติกาเรียบเรียงอัตถกาจริยาปิฎกท่านเป็นดีกาจารเรียบเรียงดีกาวิสุทธิมรักเนี่ยประมัติธรรมัญชูสา เรียกว่าหีบบรรจุพระธรรมเนี่ยนะท่านก็ประมัทธรรญชุษาตรงนี้ก็ประมาถทีปณีประทีติสองประมาทธรรมถ้าประมัทธรรญชุษาก็คือประมาทมันชุสามันชุสาแปลว่าหีบเนี่ยนะหีบที่บรรจุประมตทธรรมเนี่ยนะคำว่าประมตทในที่นี้หมายถึงว่าปะประมาทเนี่ยแปลว่าสูงสุดอัตถาก็คือเนื้อความเนื้อความแห่งคําสอนที่สูงสุดก็หมายถึงสอน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 ขอให้พระองค์นิ้ประสบความประสงค์ที่พระองค์ได้ตั้งไว้แล้วขอเราทั้งหลายก็จงสำเร็จความประสงค์ดังที่ได้ศึกษากาันทั่วหน้านะสำหรับจริยาปิฎกก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วก็จบลงด้วยประการชนิดเี้จนพร